ก็อย่างที่บอกอะพระพุทธเจ้าเนี่ยไปไปเห็นไปพบสัจธรรมสูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยที่เกิดมาจริงๆอะเคยมันมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่ไม่ไม่เกิดการเฉลียวใจเนาะไปรู้ไปทราบว่าไอ้ตัวนั้นแหละคือมันเป็นสิ่งที่มันมีเกี่ยวียกว่ามีค่าก็ไม่เชิงอะแต่เอาเป็นว่าไอ้สิ่งไหนที่เรียกว่าทุกสิ่งไหนที่เรียกว่าไม่ทุกเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าจับทางไม่ได้ไงเพราะว่ามันแวบเดียวบ้างหรือไม่อะไรนี้แหละก็ หลวงพ่อเนี่ยมันนึกถึงในอดีตที่เคยถูกไฟช็อต น, นะนะพอมาพินาย้อนหลังตามสัญญาที่จําได้เนี่ยปรากฏว่าตอนที่ถูกไฟช็อตเนี่ยโอ้โหมันรู้ตัวเราหมดเลยมันรู้แบบไม่ได้จงใจรู้ไม่ได้ตั้งใจรู้คืออย่างนี้พอถูกไฟช็อตใช่ไหมตัวเนี่ยตามร่างกายเนี่ยมันจะสั่นแบบรัวๆเลยจะสั่นรึสั่นแบบกระตุกรัวมากเลยแต่ก็รู้ทุกขณะรัวนะแต่มันนับไม่นับไม่ทันไม่ต้องนับ แต่มันรับรู้ได้หมดเลยว่าแบบรัวแบบเร็วนะแล้วก็ขณะที่ถูกไฟชอ็อตเนี่ยมันก็มีร้องด้วยโอ้ยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็คือได้ยินเนาะได้ยินถึงการส่งเสียงโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็มันรู้ด้วยว่าตอนนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่รู้จะช่วยยังไงแต่พยายามจะช่วยแล้วแต่มันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเกร็งมันแข็งไปหมดเลยมันสั่นไปหมดเลยแล้วก็นึกถึงความตาย เห็นไหมมันรู้หมดเลยนะในขณะนั้นนะว่าร่างกายเป็นยังไงมีความถี่ของการสั่นสะเทือนยังไงอันนี้รู้ได้หมดความคิดนะที่คิดจะให้ช่วยตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้หมดเห็นหมดแล้วก็มันคิดว่าตายแน่ตายแน่เอามันก็รู้ว่าคิดทุกอย่างคือไม่มีตัวเจตนาเลยแต่การรับรู้ของธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ยหลวงพ่อมาทบทวนว่าโอ้จริงไงธรรมชาติรู้นี่มันรู้แจ้งรู้จริงมันรู้อยู่แล้ว แต่ด้วยที่ว่าเราไม่เข้าใจไงเราไม่เข้าใจแต่พอมาได้รู้ธรรมะถึงข <time> ั <sein Giul io> Bible, no. to ้นแบบนี istant, <image> ้เรามาเทียบเคียงว่าไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันรู้ตัวเรามาตั้งมันรู้หมดแหละเพียงแต่ไม่รู้จักแค่นั้นเองแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วโอ้ไอ้ธรรมชาตินี้ธรรมชาติทั้งเป็นขวายปุงแต่งมันก็ทํางานเองของมันอย่างนั้นอย่างนั้นธรรมชาติที่ไม่ปุงแต่งมันก็มีอยู่แล้วซึ่งประกบคู่กันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เลยโอ้แบบนี้เลยเข้าใจแล้วอะไรเงี้ย คือประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ว่าแล้วมันไปสัมพันธ์กับความรู้สึกตัวยังไงคือปกตินั้นคนบางคนส่วนใหญ่คนในชาวโลกนี้เขาก็ไม่ได้ไปฝึกความรู้สึกตัวอะไรครับหลวงพ่อแต่พอหลวงพ่อเทียนอุบัติขึ้นมานี้ทําให้วิชานี้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าต้องไปฝึกความรู้สึกตัวมีความจําเป็นมากน้อยไหมเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงนี้ครับก็ความรู้สึกตัวเนี่ยอาจารย์เออหลวงพ่อเทียนนี่แหละคือ ทุกคนเท่าที่ได้ฟังนะว่าคนยกให้เป็นปรมาจารย์ของการฝึกความรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนเนี่ยคือท่านปฏิบัติแบบอื่นมาก่อนอาณาปจนสติพุทธโธเหยียบหนอย่างหนอคือท่านทํามาหมดแล้วแต่ท่านไม่เกิดปัญญานะแต่ท่านก็เลยอาจจะได้ความรู้มาจากอาจารย์จากเมืองลาวหรืออะไรทุกอย่างท่านก็มาต่อยอดเอาคือมาทําเอาเองพอทําเอาเองเสร็จเนี่ยท่านมีความเพียรมากเนเพราะว่าตอนนั้ น, นท่านเหมือนกับเจ็บใจตัวเองว่าทําไม เป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้ให้ทานเป็นผู้มีแต่เรื่องบุญเนาะทอดกระถินปรากฏ ว, ว่างานทอดกระถินเนี่ยแทนที่จะได้บุญมีความสุขปรากฏ ว, ว่าไปทะเลาะ ก, กับภรรยาซะอีกแค้นมากครับคือโกรธภรรยาภรรยาก็บอกว่าอ๋อทำบุญตกนรกแล้วแท่นี้แหละท่านเก็บใจตัวเองบอกต่อจากนี้ไปท่านจะต้องไปหาธรรมะคือแสวงหาธรรมแล้วก็ถ้าไม่รู้แจ้งในธรรมจะไม่กลับบ้านเลยท่านก็ออกจากบ้านไป ท่านมีความตั้งใจมากแล้วก็สุดท้ายท่านก็มีความเพียรเนาะไปเดินจงกรมไปฝึกสติกับในการเคลื่อนไหวทีนี้พอท่านทําปั๊บเนี่ยขนาดที่ฝึกเนี่ยมันก็เกิดความค่อยๆรู้ทีละอย่างเช่นท่านรู้เรื่องรูปเรื่องนามอย่างเงี้ยเออแค่แค่แค่แมงป่องตกใส่ขาเนาี่ยท่านท่านบอกว่าท่านเรื่องรู้เรื่องรูปเรื่องนามเลยนะหลวงพ่อเคยอธิบายเรื่องนี้นะว่าทําไมหลวงพ่อเทียนจึงรู้รูปเรื่องนาำรู้รูปรู้ๆๆนาม แต่หลวงพ่อไม่ขยา ย, ยหลวงพ่อเทียนไม่ได้ขยายความเท่าไหร่แต่หลวงพ่อมองอย่างนี้อันนี้หลวงพ่อแบบพิจารณาเอาเองนะอาจจะไม่ถูกแต่ว่าให้โยมพิจารณาตามว่าการเห็นรูปเห็นนามมันเป็นยังไงคือหลวงพ่อเทียนท่านนั่งยกเกินนั่งกําลังทํากรรมฐานอาจจะนั่งยกมือสิบี่จังหวะ น, นี่แหละยกไปยกมาแล้วแมงป่องมันก็ตกใส่ขาพอตกใส่ขาเสร็จท่านก็เกิดการเห็นขึ้นมาก็คือเห็นขาตัวเองก็คือเห็นตัวเอง แล้วก็เห็นแมงป่องท่านก็รู้เลยว่าอ๋อไอ้ตัวเองกับแมงป่องเนี่ยมันเป็นคนละตัวเห็นไหมตัวเองตัวตัวหลวงพ่อเทียนกับแมงป่องเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันท่านก็บอกว่าเห็นรูปรูปก็คือรูปตัวเองรูปแมงป่องอันนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปแล้วก็ไอ้ตัวที่ที่รู้ไงไอ้ตัวที่รู้ว่าไอ้นี้เป็นรูปไอ้ตัวที่รู้ว่าไอ้นี้เป็นแมงป่องเห็นไหมมีตัวรู้ขึ้นแล้ว ท่านก็รู้จักว่าอ๋อไอตัวรู้นี่ก็คือตัวนามใช่ไหมเออแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็รู้จักเลยว่าอ๋อรูปคืออย่างนี้นามคืออย่างนี้นามก็คือตัวรู้คือจิตก็ได้นะจะเรียกว่าจิตวิญญาณหรือจิตอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีรู้ไงเพราะว่าถ้าเม่งเมงป่องตกมาถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วแล้วก็รู้ตัวเองด้วยรู้รูปตัวเองรู้แมงป่องอันนั้นมันเป็นรูปรู้เป็นนามอ่าก็เลยรู้จักรูปนามขึ้นมา แล้วอะไรหล่ะรู้จักรูปนามก็คือตัวสติตัวปัญญาเออเห็นไหมท่านก็แตกฉานแล้วก็ทไปเรื่อยๆจนกระทั่งแตกฉานไปหมดในคืนเดียวอะ่ะจนแตกฉานทะลุทะลวงหมดเพะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการมารู้ตัวก็คือเป็นเป็นหลักตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยก็คือรู้ตัวเช่นท่านรู้ตัวเองเนาะรู้แมงป่องมันก็โอเคเป็นเป็นภายนอกแต่มันก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่จะทาเปรียบเทียบระหว่างว่า รู้ภายนอกก็คือรู้แมงป่องภายนอกแต่การรู้จักตัวเองเนี่ยท่านก็รู้รูปตัวเองแล้วก็รู้จักวิญญาณที่มารูปตัวมารู้ตัวเองแล้วต่อมาอาจจะเห็นความคิดตัวพูดตัวภาคอะไรก็แล้วแต่ก็คงเห็นหมดเลยจนรู้รู้รู้กายรู้รู้รูปรู้นามอ่ารู้หมดแล้วตอนหลังมันมีรายละเอียดเยอะนะเอาเป็นว่าท่านปฏิบัติแบบนี้ด้วยการรู้สึกตัวเห็นไหมการรู้สึกตัวคือกลับมารู้ตัว ไม่ใช่ว่าไปรู้เรื่องอื่นที่มันที่มันไม่ใช่เป็นทางอ่ะมันนั้นต้องกลับมาในมรรคในทางคือรู้ตัวเมื่อรู้ตัวมันก็รู้กายรู้จิตรู้อารมณ์รู้อะไรได้หมดเลยและท่านก็เข้าใจเลยว่าไอแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันอ่ะมันก็ขาดดิแถวเนี้ยมันขาดก็คือมั้นต่อไม่ติดหมายความว่าจะให้รูปเป็นนามก็จะให้รูปเป็นนามก็ไม่ได้จะให้น้ำเป็นรูปก็ไม่ได้จะให้อะไรเป็นอะไรก็ไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็มีความเข้าใจอย่างแจ็มแจ้งว่าเรื่องทุกว่าอะไรเป็นทุกอะไรที่มันพน้นโอ้ย า, ยายละเอยียดเยอะแยะเพราะฉะนั้นที่เราเรียนเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยจรงิงๆถูกต้องแล้วก็ถึงว่าเน้นกันเรื่องของความรู้สึกตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รับรู้สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็เป็นสิ่งที่ต้องมีต้องจําเป็นต้องใช้มันเหมือนกันถ้ามัวแต่รู้สึกตัวอย่างเดียวก็ ก, กลายเป็นรู้ในตัวกลายเป็นเพ่งไป ถ้ารู้แต่นอกตัวอย่างเดียวกายเป็นหลงไปเพราะฉะนั้นให้มีสติระลึกรู้ก็คือว่ารู้ตัวบ่อยๆพอมันเผลอเหม่อเผลอเพลินไปรู้ข้างนอกสติก็ระลึกได้มันก็กลับมารู้ตัวพอรู้ตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเหม่อเผลอเพลินอีกก็หลงไปคิดอีกก็มีสติก็รู้ตัวก็กลับมารู้รู้ตัวมากๆแล้วมันก็จะเห็นตัวรู้ตัวเห็นตัวแล้วก็จะไม่เป็นตัวประมาณอย่างนี้ค่ะสาธุค่ะ คุณจอมพงมีอะไรถามตอบไหมคะ ต, ต้องกาบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตายกสื่อหรือสาธกยกตัวอย่างว่าเออตอนนั้นหลวงพ่อจ้องนาฬิกาผมก็เป็นครูมาอาจารย์ก็ไปถ่ายทอดสิทธ์ก็โดยเฉพาะให้ลูกศิษย์นั้นครับได้ดูอะไรสักอย่างหนึง่งพอดูแล้วลูกศิษย์ก็จะไหลไปในสิ่งที่ดูใจก็จะไปอยู่กับสมมุติผมมีมีนาฬิกาที่ห้องเรียนแล้วก็ผมก็ให้เด็กดูนาฬิกาเด็กมันก็ดูแล้วใจก็ไปอยู่ที่นาฬิกา ผมก็ให้มันเคาะให้เด็กนันเคาะขานะครับเคาะแขนเคาะขาแล้วผมถามว่าตอนนี Jeżeli ้นไอ้ความรู <c oughs> <c oughs> ้สึกนั uh? ้นมันมาอยู่ที่ไหนเด็กก็บอกว่าความรู้สึกมาอยู่ที่แขนที่ขาแล้วแล้วผมก็บอกว่าแล้วทําไมแล้วแล้วลืมไปแล้วเหรอครับที่เมื่อกี้ดูที่ดูนาฬิกาเด็กก็บอกว่าลืมไปแล้วความรู้สึกมาอยู่ที่ขาเทนผมว่าเออถ้าอย่างนั้นนั้นทํา2อย่างพร้อมกันสิดูดูนาฬิกาด้วยแล้วก็ที่รู้สึกที่ที่แขนที่ขาที่เคาะด้วยเด็กก็บอกว่ารู้2อย่างครับ ตรงนี้อยากให้หลวงพ่อได้ได้เมตตาเกื้อกูลอีกว่าเด็กมันรู้ถูกหรือผิดยังไงครับเด็กอาสมมติตามตัวอย่างที่เล่าเนาะไปรู้ดูนาฬิกานะใช่ไหมเด็กดูนาฬิกาตอนนั้นน่ะเห็นแต่นาฬิกาเห็นแต่นาฬิกาแต่คือเห็นแต่นาฬิกากันแล้วกันพอตกขาปั๊บมันก็รู้มาที่ตัวนะก็กลายเป็นว่าตอนนั้นแหละมันจะมี ธรรมชาติ2 อ, อย่างคือนาฬิกาอย่างหนึ่งและก็ตัวเราก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งนาฬิกาก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้เพราะฉะนั้นตรงนั้นแล้วก็จะมีจิตรู้คือเรียกว่ามีสตินะสติที่มีจิตที่มีสติก็เลยระลึกได้ถึงตัวเองเพราะฉะนั้นจิตที่มีสติอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมไอจิตที่มีสติเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมชาตินี้คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่กาย แล้วก็ไม่ใช่นาฬิกาเห็นไหมมันมีนี่รู้จักสามตัวแล้วเนี่ยถ้าพูดเป็นตัวเนาะมีนาฬิกาตัวหนึ่งตัวเราตัวหนึ่งตัวตัวจิตที่มีสติก็ตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแต่เด็กเนี่ยเขายังไม่รู้จักตัวตัวจิตกับตัวสติเพราะว่ามัวแต่รู้จักไอ้นาฬิกากับรู้จักตัวเราอยู่แต่ถ้าเราชี้บอกว่าเอ้าแล้วไอ้ที่รู้รู้เนี่ยคือต้องให้เห็นความแตกต่างระหว่างที่ตอนไม่รู้เช่น ตอนที่ดูนาฬิกาก็เห็นแต่นาฬิกาทั้งๆ ท, ที่ตัวก็มีอยู่มีอยู่ใช่ไหมตัวก็ต้องเป็นผู้ยืนดูอยู่แต่ไม่รู้อ่าแสดงว่าขณะที่ไม่รู้เนี่ยแสดงว่ามีแต่ตัวแต่ไม่รู้แต่ทีนี้เมื่อรู้ตัวตรงเนี้ยมีทั้งตัวมีทั้งรู้เด็กอาจจะเห็นความแตกต่างได้ว่าตอนที่รู้กับตอนไม่รู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเด็กเข้าถ้าเด็ก เหมือนกับว่าแยกแยะหรือพิจารณาตรงเนี้จะทําให้รู้จักหรือว่าเข้าใจได้ว่าเออวะธรรมชาติรู้เนี่ยมันมีแน่นอนถ้าไม่มีธรรมชาติรู้แล้วมันจะมารู้ตัวได้ยังไงเด็กก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาว่าไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติคนละอย่างกับตัวกับร่างกายเนี่ยต่อ ย, ยอดได้หมดเลยพวกเนี้เพราะฉะนั้นแต่บางทีเด็กพวกเหมือนกับเรานี่แหละเรียนธรรมะถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ไไ ม, มีการละยาณมิตรน่ะไอ้ธรรมชาติ บางอย่างมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักแต่ถ้ามีคนอธิบายมีชี้บอกก็จะทําให้เก็ดมีความเข้าใจได้ว่าเอออันเนี้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยพบไม่เคยเห็นวันนี้เห็นง่ายแล้วเข้าใจแล้วเพราะมีคนชี้บอกทางอย่างเงี้ยอ่านั้นที่ที่โยมจอมถามเมื่อกี้เนี่ยตอบหมดแล้วยงังลองดูครับก็กับ ข, ขอบพระคุณครับหลวงพ่ออย่างน้อยที่สุดก็คือให้เด็กได้เห็นว่าตอนแรกเด็กไม่รู้เลยว่าการที่เอาตัวเองเข้าไปเป็นนาฬิกาหรือว่า จดจอแต่นาฬิกานั้นมันไม่เห็นตัวเองแต่พอตอนที่สองก็คือให้ให้เคาะขาด้วยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันมันรู้สองอย่างคือรู้นาฬิกาด้วยรู้ที่ขาด้วยอืแต่แต่ผมก็พยายามจะสื่อให้เด็กว่าปกติในชีวิตประจําวันจะไม่รู้สองอย่างแบบนี้ก็คือจะรู้อย่างเดียวเหมือนรู้นาฬิกาครั้งแรกแต่ว่าเออถ้าสังเกตหรือว่าสำเนียกหรือหรือสนใจสักหน่อยก็จะเห็นทั้งทั้งสองอย่างเห็นเราด้วยเห็นนาฬิกาด้วยแล้วก็ผมก็ถามว่า อะไรลมาเห็นตัวเราด้วยเห็นนาฬิกาด้วยก็ตอนแรกเด็กก็พูดไม่ถูกตอนหลังก็เลยบอกว่าเป็นใจใจใจรู้เด็กก็กลายเป็นพูดว่าใจรู้ใจรู้สนุกไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ครับเออต่อยอดให้เด็กอีกหน่อยก็ได้<ะ>ไอ้ท่งที่เขาตอบว่าใจรู้เนี่ยจริงๆเขาตอบถูกนะว่าใจรู้แต่สิ่งที่ต้องให้รู้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าใครหล่ะเป็นคนรู้ว่าใจรู้ พอบอกว่าเราสิเป็นคนรู้ว่าใจรู้ปะปั๊บตรงนี้กลับมารู้เราอีกแล้วเพราะบางทีเนี่ยมีเราเป็นผู้รู้เรื่องใจใช่ไหมว่าใจเป็นคนรู้แต่จริงๆอ่ะเราต่างหากที่เป็นคนรู้ว่าใจเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นต้องกลับมารู้เราตรงนี้เป็นขั้นสุดยอดเลยเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยเราเนี่ยมักจะโอยเรื่องอื่นหมดเลยถามว่าใครรู้จิตรู้ถามว่าใครรู้ใจรู้แต่ตัวเองเป็นผู้รู้อยู่แต่ไม่เคยเห็นตัวเองอ่ะเป็นผู้รู้ที่กาลังพูดได้เห็นไหม ผู้รู้ที่พูดได้คือยังเรียกว่าผู้รู้ตัวปลอมต้องเห็นตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัววิญญาณก็ได้นะวิญญาณรู้ที่ทํางานประกอบกับเจตสิกอ่ะเพราะฉนั้นไอ้ที่เรียกที่เราไปรู้นั่นรู้นี้เนี่ยต้องให้รู้ตัวเราเลยอย่างเรียนธรรมะเนี่ยสมมติเราคุยธรรมะเนี่ยนี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเรารู้ทั้งหมดนะที่พูดเนี่ยรู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างเนี่ยแต่ก็มีเราใช่ไหมแต่เราเนี่ยบางทีพูดแต่เรื่องจิตรู้พูดแต่เรื่องคนนั้นคนนี้ เราเนี่ยรู้เรื่องคนนั้นคนนี้แต่เราลืมไปว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ปลอมอยู่ที่กําลังเล่าเรื่องอยู่ตรงนี้ฟังออกไหมเอ่ยสําคัญมากนะที่เขาพูดมาตั้งบทไหมกับท่านรวมถึงตัวพ่อเนี่ยตัวหลวงพ่อเนี่ยที่กําลังอธิบายธรร ม, มะอยู่ตอนวันทุกวันเนี้ยถ้าหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้นะที่หลวงพ่อพูดมาตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งตอนเนี้ยถ้ามีคนคนหนึ่งที่เขาฟังหลวงพ่ออยู่เขาจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเนี่ย ทั้งรู้จริงทั้งรู้ไม่จริงเห็นไหมเขาเห็นตัวหลวงพ่อไงว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดธรรมะออพูดถูกต้อง อ, อ, อาจจะมองว่าเ อ, อหลวงพ่อเป็นผู้รู้จริงหรือบางครั้งบางคาพูดแล้วอาจจะไม่ความรู้ไม่เท่ากันไม่ตรงกันงเขาบอกว่าออหลวงพ่อพูดผิดเห็นไหมเขายังเห็นหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อเป็นคนรู้รู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเราเลยที่เป็นผู้รู้รู้บ้างรู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างมันไม่เห็นไงพ่อมัวแต่พูดเรื่องอื่นอยู่เพราะฉะนั้น ปัจจุบันขณะเนี่ยต้องรู้ตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยเป็นทั้งผู้รู้แล้วก็อาจจะเป็นทั้งผู้ไม่รู้ด้วยแต่เป็นผู้พูดผู้แสดงอ่ะมันกําลังปรากฏอยู่ต้องกลับมารู้ตรงนี้อ่าถ้าไม่เข้าใจขยายความอีกนิดเมื่อกี้ที่โยมพงษ์พูดถึงลูกศิษย์นักเรียนเห็นไหมมีตัวเราไปพูดถึงเรื่องนักเรียนเอาเรื่องนักเรียนมาเล่าแต่เรานี่แหละเป็นคนรู้เป็นคนเล่าเพราะเป็นคนเห็นเหตุการณ์เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์เป็นคนสอนนักเรียน อ่พอเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีตัวเราที่เป็นผู้เอาเรื่องนั้นมาเล่าให้พวกคนอื่นฟังขณะที่กําลังเล่าเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารกําลังปรากฏแต่ถ้าเราขาดสติเราไม่รู้พร้อมลืมตัวมันก็ลืมตัวไปเลยแต่ก็เล่าเล่า เ, าเาไปแต่ถ้ามีสติระ ล, ลึกได้ขึ้นมาว่าเออไอตัวที่กำลังเล่านเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยสังขารมันไม่ใช่เรา <laughs> คือเห็นเราอ่ะ ในปัจจุบันแล้วก็ละเสียปล่อยวางไม่ยึดถือก็กลายเป็นว่าแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆพร่อรู้จักอยู่แล้วไอ้ตัวที่เล่ามันก็คือสังขารไม่เล่าผิดเล่าถูกก็เป็นตัวสังขารหมดก็รู้จักสังขารในเป็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการรู้ปัจจุบันก็คือรู้ตัวที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังเล่ากําลังมีความรู้อะไรที่มาเล่าเล่าเนี่ยแล้วก็รู้แล้วก็คือไม่ยึดถือเหตุที่ไม่ยึดถือเพราะว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แต่รู้เราอย่างเนี้ยตรงนี้ต้องต่่ออยยดเเพิมมากล แล้วมันก็เนี่ยอย่างได้ยินได้ฟังเนี่ยต่อไปเวลามันเผลอปั๊บมันจะนึกได้ว่า mm hmm. เ อ, อ๊ะเคยได้ยินอะไรอย่างบอกว่าเออให้รู้ตัวเราผู้รู้ด้วยผู้เล่าด้วยอะไรเนี่ยรู้แล้วมันก็จะรู้บ่อยๆบ่อยๆแต่ก็พอรู้เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจะหยุดเล่านะก็คือเล่าเหมือนเดิมยิ่งเล่าไปมันก็ยิ่งรู้ไปโอเคนะสาธุค่ะคุณจอมโอเคนะคะจริงๆต้องอาจเสริมว่าจริงๆในสภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงถ้ามีความคิดอะไรอเงี้ยเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องหยุดคิดค่ะแต่เดี๋ยวว่าอย่าไปวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดนะคะก็แค่เฝ้าดูธรรมชาติของความคิดเนี่ยค่ะการเกิดความคิดเนี่ยมันก็มันก็คิดก็คิดไปนะคะธรรมชาติแห่งความคิดมันจะเป็นยังไงก็อยู่อยังงั้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วก็เห็นมันแค่นั้นเองไม่ว่าเรื่องที่มันจะเราจะเล่าขึ้นมาเหมือนกับว่าเห็นนาฬิกาหรือว่าเห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็ มันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะก็ให้ให้ให้อยู่ตรงสภาพนั้นเพีงแต่ว่าเราจะมีอความเขาเรียกนะคะเดี๋ยวเราจะมีความเห็นอีกไ ม, ไม่ไม่มีนะคะก็ก็แค่นั้นทำแค่นั้นเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยค่ะทีนี้เประกอบเนาะเรื่องเป็นตัวอย่างได้ดีมากที่สุดนะถ้าพวกเราเคยได้ยินได้ฟังของเวลังนะ<า> ก, ก็คือทีออ่จะเรียกอะไรละ่ะ ที่เขามีการที่ลงเตี้ยมแห่งหนึ่งอ่ะนะที่มีการจะมาพูดธรรมะอะยรจาไม่ได้แต่เอาว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่มีการโต้เถียงไในเรื่องลมกับเรื่องธงอ่ะว่าลมพัดหรือธงไหวอะไรต่างๆกันนะตรงนี้มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปดูใช่ไหมไปดูธงไปดูคือมันมีตาก็ส่งตาไปก็ส่งไปดูพอดูเสร็จเห็นธงมันไหวๆใช่ไหมมันพัดอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยธงมันมันไหว อีกคนนึงบอกว่าลมมันพัดมันก็เถียงกันอยู่นั่นเนี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขารู้แต่ข้างนอกแต่ไอาตัวความคิดเนี่ยอายตัวออกความเห็นเนี่ยมันอยู่ข้างในคือในใจของเขาเขาอะไม่มีสติเขาจึงไม่เห็นเวลางก็บอกว่าเออเออถียงกันอยู่ได้มันไม่ใช่ลมมันไม่ใช่ลม ร, รอก <c oughs> มันอยู่ในใจของคุนั่นแหละที่มันกําลังคิดกําลังนึกกําลังไหวๆอยู่นะ่ะนี่กลับมารู้ตรงนี้เห็นไหม เพราะนั้นการกลับมาคือกลับมารู้ตัวรู้รู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้คือรวมๆหลวงพ่อใช้คําว่ารู้ตัวก็คือรวมๆนั่นแหละเพราะว่าถ้ารู้ตัวเป็นมันสามารถรู้ได้ทั่วทั่วพร้อมเนาะรู้ทั้งกายทั้งจิตที่มันมีอาการอาการไหนเด่นมันก็จะรู้ตรงนั้นเออเพราะว่าเช่นถึงว่ากําลังเสียงเงินอยู่แล้วมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นจึ๊กหนึ่งเนี่ยมันก็กลับมารู้ตรงนี้มันรู้ที่เจ็บเนอะแต่เนื่องจากมันไวมากพอรู้ที่เจ็บเสร็จแล้วความโมโหความอะไรเกิดก็เกิดขึ้นแล้วก็คือรู้ที่ตัว แต่การรู้ที่ตัวไม่ใช่ว่าบังคับมารู้ที่ตัวจนไม่รู้ข้างนอกเลยอันนั้นก็ไม่ใช่คือให้มันเป็นธรรมชาติบางครั้งมันก็รู้ข้างนอกบางครั้งมันก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวก็รู้คือให้รู้อยู่เป็นประจำรู้อยู่เนืองๆไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องเออ <c oughs> ก็ลองดูเราต้องต้องประเมินจากตัวเองว่าถ้าเราเพ่งเราจ้องเนี่ยมันจะแสดงอาการคือความเหนื่อยเป็นภาระ <c oughs> ทําให้หนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมึนหัวแน่นหน้าอกอะไรเนี่ยนี่แสดงว่า ผิดธรรมชาติไปแล้วต้องผ่อนต้องคลายต้องคลายก็คือว่ารู้นอกรู้ในนั่นแหละให้มันก็แล้วก็จะรู้เลยว่าไอ้นอกมันก็ไม่ใช่รู้ในก็ไม่ใช่รู้คือรู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นนอกและก็ไม่ได้เป็นในเพราะมันเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะเราพูดกันเยอะเราหน่าจะเก็บเกี่ยวอะไรนะี้เราเรียกว่าฟังแล้วต้องลองไปทดลองนะเมื่อวานหลวงพ่อก็พูดไปแล้วเนาะอย่าฟังอย่างเดียวต้องไปทดลองเพื่อหัดรู้ตัวเรา พอสมมติว<ไ>่าเรียนแบบตามที่หลวงพ่อยกก็ได้พอเรียนแบบแล้วสมมติว่ามันอาจจะเก็ตก็ได้หรืออาจจะไม่เก็ตโยมก็ใช้เทคนิคของโยมก็ได้หัดไปฟังเสียงไปแอบดูคนอื่นก็ได้สมมุตินะเออหลวงพ่อยกตัวอย่างสมมติว่าไปแอบสวอยู่ห้องติดกันเนาะมีอีกห้องหนึ่งมีชายหญิงเขาอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เราก็แอบฟังเขาไงแอบฟังเสียงพอแอบฟังเสียงปับ๊บตอนแรกมันก็ส่งจิตไปฟังก่อนเนาะคือส่งจิตไปที่ห้องนั้นแหละ พอฟังไปฟังมามันก็เห็นตัวเองวอง่าตัวเองฟังเขานี่ดูหน้าดูตานี่มันทําหูทําหน้าก็ใจเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยต้องไปเทคนิคต้องไปลองทดลองรู้รู้ตัวเองแล้วก็ต่อไปยงก็จะเข้าใจตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนแล้วก็ไอ้รู้เนี่ยที่มารู้เราเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันคนละตัวเป็นคนละสภาวะกัน <c oughs> ะระวังใครยังไม่พูดก็อย่าลืมแล้วกันว่าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเป็นสังขาร ถ้ามันเป็นสังขารแล้วมันก็ต้องไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนง่ายเลยนะแต่ธรรมชาติที่ไม่เป็นสังขารที่เรียกว่าวิสังขารนะสิ่งนั้นนะไม่ปรากฏมีอยู่วันก่อนเคยอ่านพระสูตรเนาะที่บอกว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ถูกเหตุสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ นี่เห็นไหมพระพุทธเจ้ารับรองคือพูดถึงเรื่องนี้เลยพูดถึงธรรมชาติเลยธรรมชาติที่ไม่เกิดเห็นไหมไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ถูกเหตุสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่นะแล้วท่านก็พูดถึงอีกว่าไอ้ธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วที่ถูกเหตุสร้างแล้วที่ถูกปัจจัยปรุงจัดใจปรุงแต่งแล้วก็มีอยู่เหมือนกันเออเห็นไหมมันก็มีธรรมชาติที่เกิดกับธรรมชาติที่ไม่เกิด แล้วก็เพราะเหตุมีธรรมชาติที่ไม่เกิดนี่แหละจึงทำให้พลากให้หลุดพ้นมาจากธรรมชาติที่เกิดแล้วถ้าฟังอย่างนี้มันเข้าใจยากหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันเอาฟ้าแลบนี่แหละ <c oughs> ฟ้าแลบฟ้าแลบนึกออกไหมฟ้าแลบแลบแล้วเป็นไงมันค้างฟ้าไมมันแบลบแล้วมันไม่ดับเลยใช่ไหมดับแลบเดียวนั่นเขาเรียกว่าเกิดแล้วแล้วก็ดังอันนี้เป็นสังขาร อันนี้เป็นแค่อุปมาณนะําเพราะว่าธรรมชาติธรรมะนี่มันพูดตรงไม่ได้มันมองไม่เห็นแต่ว่าอุปมาเทียบเคียงฟ้าแลบเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ปรากฏนะเห็นด้วยตารับรู้ได้แล้วลองดูดีๆสิว่าก่อนที่จะมีฟ้าแลบมันมีอะไรอ่ะก็คือมีความไม่มีบางทีก็เรียกสมมุติว่าเป็นท้องฟ้าคือเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีแล้วก็ฟ้าแลบเกิดขึ้นจากความไม่มี แล้วมันก็ดับไปสู่ความไม่มีไอ้ไม่มีตรงเนี้ยก็คือคือไม่ไม่เกิดไม่ปรากฏจึงเห็นอยู่ต่อหน้าต่ อ, ต, อตาเลยว่าไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนะ่ะมันมีมาตั้งนานมันมีมาก่อนฟ้าแบแล้วแต่ความแลบเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังแล้วก็เกิดขึ้นขณะเดียวแล้วก็ดับไปอ่แต่ไอ้ความไม่ปรากฏนะ่ะมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ไม่ได้มีอย่างไงคือมันก็เป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยอ่า แล้วก็มันก็เป็นอมตะอยู่อย่างนั้นนะคือมันไม่ปรากฏอยู่ตลอดไปแต่ฟ้าแลบต่างหากเป็นปรากฏมาแต่ละครั้งแต่ละขณะแล้วก็หมดไปหมดไปตรงเนี้จึงเชื่้เห็นว่าธรรมชาติสองประเภทเนี้ยมีอยู่จริงคือสิ่งที่เกิดก็มีอยู่จริงสิ่งที่ไม่เกิดก็มีอยู่จริงก็เห็นอยู่ตามตามไงใช่ไหมอ่ะทีนี้อันนี้อุปมาสิ่งภายนอกนอ ก, นอกตัวนะทีนี้มาดูเรื่องใจเราบ้างในใจอะ่ะความโกรธอนะ่ะ เป็นสิ่งที่เกิดเพิ่งเกิดใช่ไหมแล้วว่าพอเกิดแล้วมันก็ดับความโมโหอ่ามันก็เกิดแล้วมันก็ดับนึกออกแล้วยังว่ามันเกิดมาจากตรงไหนมันก็เกิดมาจากตรงที่มันว่างนั่นแหละแล้วมันก็ดับไปตรงที่มันว่างคือมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นแต่ที่เกิดของมันก็คือความว่างเปล่าความว่างเปล่าอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏมันเป็นอมตะนะแต่ความโกรธความโมโหเนี่ยไม่เป็นอมตะ เป็นสังขารไม่เที่ยงก็ดับไปอะและทีนี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าไอธรรมชาติความโกรธหรือว่าความอันเนี้ยมันเกิดดับก็คือสังขารหลวงพ่อบอกแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเป็นสังขารแล้วก็เป็นอ น, นิจจัทงทุกขังนัตตาแต่ความไม่เกิดซึ่งมีอยู่ก่อนจะเกิดมันก็มีอยู่แล้วอันเนี้ยไม่ปรากฏ มันก็เป็นอมะตะก็คือว่าความโกรธเกิดขึ้นก็เกิดไปดิแต่ความไม่ปรากฏมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะคือไม่ปรากฏอะไรเลยมันเป็นคนธรรมชาติคนลับประเภทกันเอแต่ธรรมชาติในตัวเราเนี่ยมันมีมันมีรู้ไงไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอ่ะก็คือมันมีความรู้ที่เรียกว่าใจอะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในใจใจรู้หมดแต่ใจเป็นความไม่ไม่ปรากฏจึงไม่ต้องเกิดและก็ไม่ต้องตายส่วน อาการที่เกิดขึ้นในใจมันมีการเกิดแล้มันก็ต้องตายคือดับไปเ <He d S 2> ห็นไมธรรมชาติสองอย่างที่อยู่นอกตัวก็มีที่เป็นอ่นอกตัวก็คือเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดก็มีนอกตัวธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับก็มีในตัวในใจในใจมันก็มีธรรมชาติที่เกิดก็มีและธรรมชาติที่ไม่เกิดก็มีแต่เราสมมุติชื่อกันเรียกเพื่อให้แบ่งแยกให้เห็นชัดๆก็คือว่า สิ่งใดที่เกิดในใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ใจเป็นความไม่เกิดเ ป, เป็นความว่างเป็นความว่างเปล่ามีแต่ความรู้อะไรเกิดขึ้นในใจใจรู้แจ้งใจรู้หมดเมื่อแยกได้เป็นสองประเภทอย่างนี้ใจจึงไม่ได้หลงไปเป็นอะไรเพราะใจมันก็ต้องรู้ใจว่าใจมันคือไม่ใช่สิ่งเกิดดับใจมันรู้ใจมันรู้ใจว่ามันน่ะมันน่ะ <c oughs> นี่เราต้องพูดแทนเพื่อเชื่อเ็น มันเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับแต่สิ่งเกิดสิ่งดับจึงไม่ใช่ใจแต่มันก็อยู่ในที่เดียวกันเห็นภาพไหมมันอยู่ที่เนวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เขาบอกว่าให้รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงให้รู้จริงอให้รู้ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเอาอะไรมาเห็นหรอกก็เนี่ยเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องใจแล้วก็รู้จักใจขึ้นมาว่า ใจนั่นแหละเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้รู้จริงและก็ใจไม่เคยหลงไปยึดถือเป็นอะไรเพราะมันไปยึดถืออะไรได้เพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนมันจะยึดอะไรได้มันไม่อะไรเนี่ยมันได้แต่รู้เมื่อรู้อย่างนี้มันก็หลุดพ้นไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอะไรเกิดขึ้นในใจก็ใจก็รู้อะไรดับไปแล้วใจก็รู้แล้วก็สิ่งเกิดดับมันก็รัวๆววเพราะมันเป็นขันห้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนาะเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นจิตตสังขาร ปูงแต่งอยู่จนกว่าแตกสลายไปเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติอย่าตกใจนะเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจอ่ะเพราะมันเกิดก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดใช่ไหมแต่ใจเองอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดแล้วดับแล้วแต่ใจมันพูดไม่ได้ที่เราพูดถึงวันก่อนว่ามันเป็นมันเป็นใบใจอ่ะเป็นใบคือมันพูดอะไรไม่ได้มันได้แต่รู้แล้วใจก็จะมาเล่าให้คนอื่นฟังว่าไปรู้อะไรมาบ้างก็เล่าไม่ได้เพราะมันเป็นใบเพราะนั้นธรรมชาตินี้มีอยู่ค่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยหลวงพ่อ